อธิบายเกิดแต่ความสงัดในคําว่าเกิดแต่ความสงัดนี้มีอัธิบายว่าความสงบเงียบชื่อว่าความสงัดหมายความว่าการปราศจากนิวรณอีกอย่างหนึ่งสภาวะธรรมที่สงบชื่อว่าธรรมะอันสงัด หมายเอากองธรรมะที่ประกอบกับฌานซึ่งสงบจากนิวรณ์เพราะฉะนั้นปีติและสุขที่เกิดแต่ความสงัดนั้นหรือที่เกิดในธรรมะอันสงัดนั้นชื่อว่าวิเวกชังแปลว่าเกิดแต่ความสงัดหรือเกิดในธรรมะอันสงัดก็ได้อธิบายปีติ ในคําว่าปีติและสุขนี้มีอถาธิบายว่าธรรมชาติใดที่ทําให้เอิบอิม่มธรรมชาตินั้นชื่อว่าปีติปีตินั้นมีความเอิบอิ่มเป็นลักษณะมีอันทํากายและใจให้เอิบอิ่มเป็นกิจหรือมีอันแผลซ่านไปในกายและใจเป็นกิจก็ได้มีอันทํากายและใจให้ฟูขึ้นเป็นอาการปรากฏ ปีติห้าอย่างก็แล้ปีตินี้นั้นมีห้าอย่างคือคุธกาปีติปีติทำให้ขนชูชันเล็กน้อยคณิกาปีติปีติที่เกิดขึ้นชั่วขณะเหมือนฟ้าแลบอกกันติกาปีติปีติที่กระทบกายเหมือนคลื่นกระทบฟัง อุบเพลงคาปีติปีติโลดแล่นทำให้ตัวลอยขึ้นได้ภาณาปีติปีติที่ซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายอธิบายปีติห้าอย่างในปีติห้าอย่างนั้นมีอ ธ, ธิบายดังนี้ขุทกาปีติเพียงแต่ทำให้ขนในกายลูกจูชันเบาๆ แล้วก็หายไปไม่เกิดขึ้นอีกคนนิกาปีติย่อมเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งๆ ห, หลายๆครั้งเปรียบเหมือนฟ้าแลบแผลปาอกกันติกาปีติเกิดขึ้นกระทบกายแล้วหายไปกระทบกายแล้วก็หายไปเหมือนลูกคลื่นกระทบฝั่งมหาสมุทรอุพเพงคาปีติมีกำลังมาก ทำกายให้ลอยขึ้นได้ถึงขนาดทำให้ลอยไปบนอากาศก็ได้เรื่องท่านมหาติสะเทระเป็นความจริงอย่างนั้นท่านมหาติสะเทระที่อยู่นวัดบุญนาวริกะวิหารเวลาเย็นแห่งวันเพ็วันหนึ่งท่านได้ไปยังลานพระเจดีเห็นแสงเดือนจึงหันหน้าสู่พระมหาเจดีพลางคิดว่า เออหนอปานนี้พบพุทธบริษัททั้งสี่คงกำลังพากันไหว้พระมหาเจดีย์อยู่ดังนี้เราได้ทมอุเพงคาปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจอารมณ์ที่ตนได้เห็นมาตามปกติท่านได้ลอยขึ้นบนอากาศไปตกลงที่ลานพระมหาเจดีย์นั่นแหละมีอาการเหมือนลูกฟุตบอลอันวิจิตรงดงามตกลงที่พื้นปูนขาวฉะนั้น เรื่องกุลธิดาคนหนึ่งแม้กุลธิดาคนหนึ่งอยู่ที่บ้านวัดตากาละกะคามใกล้ๆ ก, กับวัดคีริ ก, กันตะกาวิหารก็ได้ลอยไปบนอากาศด้วยอุเพงคาปีติอันมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างแรงเหมือนกันได้ยินว่ามารดาบิดาของนางกุลธิดานั้นเมื่อจะไปฟังธรรมที่วัดในเวลาเย็นวันหนึ่งได้สั่งเธอว่า เจ้ามีภาระธุระมากจึงไม่อาจที่จะไปในเวลาที่ไม่ใช่การแม่และพ่อจะไปฟังธรรมแบ่งส่วนบุญให้แก่หนูด้วยครั้นแล้วก็ได้ออกเดินทางไปฝ่ายนางกุลธิดาถึงปรารถนาจะไปแทบใจจะขาดแต่ก็ไม่อาจขัดขืนคำสั่งของมาดาบิดาจึงค้างแขวนอยู่ที่บ้านเธอไปยืนอยู่ที่เนินบ้านมองเห็นองค์พระเจดีซึ่งสร้างไว้ที่กลางแจ้ง นวัดคีริกันต ะ, ะวิหารด้วยแสงเดือนได้เห็นแสงไฟบูชาพระเจดีและหมู่พุทธบริษัททั้งสี่กำลังเดินประทักษิณทำการบูชาพระเจดีด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นและได้ยินเสียงสวดสาธยายของหมู่พระภิกษุสงฆ์ขณะนั้นนางจึงรำพันอยู่ว่าชนเหล่าใดมีโอกาสได้ไปวัดแล้วเดินเวียนไปบนลานพระเจดีเห็นปานนี้ และได้ฟังธรรมกัถาอันไพเราะเอ็นปานนี้ชนเหล่านั้นช่างมีบุญจริงหนอะฉ น, นี้แล้วอุเพงคาปิติได้เกิดขึ้นแก่นางขณะที่นางเห็นองค์พระเจดีเหมือนดังกองแก้วมุกดานั่นและเธอได้ลอยขึ้นไปบนอากาศไปลงจากอากาศที่ลานพระเจดีถึงก่อนกว่ามารดาบิดาเสียอีกวายพระเจดีแล้วได้ยืนฟังธรรมอยู่ ภายหลังมารดาบิดามาถึงแล้วจึงถามว่าแม่หนูเจ้ามาทางไหนนางตอบว่าหนูมาโดยอากาศไม่ได้มาโดยทางเท้าเจ้าค่ะเมื่อมารดาบิดาติงว่าแม่หนูพระอาหารหันต์ตะขีนาศพตัณหกจึงจะสัญจรไปโดยอากาศได้นี่หนูมาได้ยังไงเธอจึงตอบชี้แจงว่าขณะที่ยืนลาดูพระเจดียด้วยแสงเดินหงายอยู่นั้น ปีติอันมีกำลังแรงซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ได้ทราบถึงภาวะที่ตนยืนอยู่ไม่ได้ทราบถึงภาวะที่ตนนั่งอยู่แต่แล้วได้ลอยขึ้นไปบนอากาศมาตกลงที่ลานพระเจดีย์เนี่ยด้วยนิมิต ท, ที่หนูยึดเอานั่นแหละชนีดลาอุเพงคาปีติย่อมมีกำลังมากขณะที่ทำให้ลอยไปบนอากาศได้ด้วยประการชนี้ เรื่องอุปเพงคาปีติทำให้ตัวเบาจนลอยไปได้ไกลๆดังตัวอย่างนี้คนธรรมดาโดยมากไม่ค่อยจะเชื่อกันบางพวกก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องไร้สาระโกหกกันเล่นความจริงสิ่งอัศจรรย์เช่นนี้เป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้จริงๆครั้งหนึ่งเมื่อพุทธศักราช2498ณสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ปรากฏเป็นประจักษ์แก่นักปฏิบัติทั้งหลายว่าสามเณรรูปหนึ่งลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้าผนังอุโบสถซึ่งประรักหักพังไม่มีหลังคาโดยไม่รู้ตัวเวลาลงต้องช่วยกันหาบันไดมาพาดให้สามเณรอีกรูปหนึ่งนวัดเดียวกันนี้ลอยไปถึงบ้านโยมมารดาของตน ปีติประการที่ห้าส่วนภารณาปีติเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายสิ้นเชิงมีลักษณะเหมือนกระเพาะน้ำเบาที่เต็มและท้องภูเขาที่กระแสน้ำใหญ่ไหลเข้าไปจนเต็มฉะนั้นปีติที่ประสงค์เอาณที่นี้ ก็แลปีติห้าประการนี้นั้นเมื่อถือเอาห้องคำว่าปีติถือเอาห้องหมายความว่าปีติเจริญเต็มที่ควรจะเป็นเหตุให้เกิดปัจสทิต่อไปได้ปีติห้าประการนี้นั้นเมื่อถือเอาห้องถึงความแก่เต็มที่แล้วย่อมทำปัจสถิสองประการให้บริบูรณ์คือกายปัจสถิความสงบกายหนึ่งจิตตปสัสทา ความสงบจิตหนึ่งเมื่อปัสสธิถือเอาห้องถึงความแก่ได้ที่แล้วย่อมทำสุขทั้งสองประการให้บริบูรณ์คือกายกสุขสุขกายหนึ่งเจตสิกสุขสุขใจหนึ่งเมื่อสุขถือเอาห้องถึงความแก่ได้ที่แล้วย่อมทำสมาธิสามประการให้บริบูรณ์คือคณิกะสมาธิหนึ่ง อุปจารสมาธิหนึ่งอปปนาสมาธิหนึ่งในบรรดาปีติห้าประการนั้นภารณาปีติอันใดที่เจริญแก่กล้าขึ้นพอจะเป็นมูลฐานแกอ่อปปนาสมาธิถึงซึ่งอันประกอบเข้ากับสมาธิได้ปีตินี้ประสงค์เอาในอัธาธิบายนี้อธิบายสุข ก็แลความสบายอื่นจากปีติชื่อว่าสุขอีกนัยยะหนึ่งธรรมชาติใดย่อมกินเสียซึ่งความไม่สบายกายความไม่สบายใจธรรมชาตินั้นชื่อว่าสุขอีกนัยยะหนึ่งธรรมชาติ ใ, ใดย่อมขุดออกซึ่งความไม่สบายกายความไม่สบายใจธรรมชาตินั้นชื่อว่าสุขสุขนั้น มีความดีใจเป็นลักษณะมีอันเพิ่มพูนสัมปยุต ธ, ธรรมให้เจริญเป็นกิจมีอันอนุเคราะห์เป็นอาการปรากฏความต่างกันระหว่างปีติกับสุขละถึงแม้ในจิตบางดวงเช่นปฐมฌานจิตเป็นต้นจะไม่มีการแยกกันระหว่างปีติกับสุขก็ตาม แต่ความยินดีที่เกิดขึ้นเพราะได้อิทธารม์จัดเป็นปีติการเสวยรสแห่งอารมณ์ที่ได้มานั้นจัดเป็นสุขปีติมีในจิตใดในจิตนั้นก็มีสุขด้วยแต่สุขมีในจิตใดในจิตนั้นไม่มีปีติเสมอไปปีติสงเคราะห์เข้าในสังขารขันสุข สงเคราะห์เข้าในเวทนาขันเปรียบเหมือนเมื่อคนสิ้นสเสบียงในทางธุรกันดานในขณะที่ได้เห็นหรือได้ข่าวซึ่งป่าไม้หรือน้ำปีติย่อมเกิดในขณะที่เข้าไปถึงร่มเงาป่าไม้หรือรับประทานน้ำแล้วสุขย่อมเกิดนักศึกษาพึงเข้าใจว่าปีติและสุขนี้ ท่านกล่าวหมายเอาโดยเป็นสิ่งที่ปรากฏในสมัยนั้นๆอธิบายมีปิติและสุขปิตินี้ด้วยสุขนี้ด้วยย่อมมีแก่ชานั้นหรือย่อมมีในชานั้นดังนั้นชานั้นท่านจึงเรียกว่ามีปิติและสุข ด้วยประการชนี้อีกประการหนึ่งปีติด้วยสุขด้วยชื่อว่าปีติและสุขเช่นคาว่าธรรมะและวินัยเป็นต้นปีติและสุขอันเกิดแต่ความสงัดมีอยู่แก่ชานั้นหรือมีอยู่ในชานั้นดังนั้นชานั้นชื่อว่ามีปีติและสุขเกิดแต่ความสงัด แม้ด้วยประการชนี้เหมือนอย่างว่าฌานย่อมเกิดแต่ความสงัดฌันใดปีติและสุขในที่นี้ก็ย่อมเกิดแต่ความสงัดเหมือนกันฉันนั้นอันหนึ่งปีติและสุขอันเกิดแต่ความสงัดนั้นย่อมมีแก่ฌานนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวบวกเข้าเป็นบทเดียวกันว่าวิเวกชานปีติสุขขัง ซึ่งแปลว่ามีปีติและสุขอันเกิดแต่ความสงัดดังนี้ก็ใช้ได้แต่ในคำพีวิพังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยในยะมีอาทิว่าสุขนี้ประกอบด้วยปีตินี้ชะนี้แม้ในคำพีวิพังนั้นนักศึกษาก็พึงทราบอธิบายอย่างเดียวกันนี้เหมือนกัน อธิบายบรรลุแล้วซึ่งปฐมฌานคำว่าปฐมฌานจะอธิบายให้แจ่มแจ้งข้างหน้าคำว่าบรรลุแล้วได้แก่เข้าไปถึงแล้วคือประสบแล้วอีกนัยยะหนึ่งคำว่าบรรลุแล้วได้แก่ทําให้ถึงพร้อมแล้วคือให้สำเร็จแล้วแต่ในคำพีวิพังทรงแสดงไว้ว่า การได้การได้เฉพาะการถึงการถึงพร้อมการถูกต้องการทําให้แจ้งการเข้าถึงพร้อมซึ่งปฐมฌานชื่อว่าบรรลุแล้วแม้พระพุทธพจน์นั้นอนนักศึกษาพึงทราบอถ ธ, ธิบายอย่างเดียวกันนี้เหมือนกันอธิบายวิหรติที่แปลว่าอยู่ คำว่าวิหระรติที่แปลว่าอยู่นั้นอธิบายว่าโยคีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยฌานมีประการดังกล่าวชนี้ ย, ย่อมอย่างการกระทำของอัตภาพร่างกายคือการประพฤติการเลี้ยงการเป็นไปการให้เป็นไปการเที่ยวไปและการผัดผ่อนแห่งอัตภาพร่างกายให้สำเร็จโดยการอยู่ด้วยอิรยาบถชนิดที่สมควรแก่อัตภาพนั้น ข้อนี้สมด้วยพระบาลีที่ทรงแสดงไว้ในคำภีวิพังว่าคำว่าย่อมอยู่นั้นคือย่อมกระทําย่อมประพฤติย่อมเลี้ยงย่อมเป็นไปย่อมให้เป็นไปย่อมเที่ยวไปย่อมเดินไปเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าวิหรติย่อมอยู่ชนี้คำว่าย่อมอยู่นั้น มีได้หมายความว่าอยู่นิ่งๆด้วยอิริยาบถเดียวแต่ย่อมอยู่ด้วยการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ตามสะดวกสบายอธิบายละองห้าประกอบด้วยองห้าก็แลในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าละองห้าประกอบด้วยองห้านั้น มีอาธิบายดังต่อไปนี้องค์สำหรับละมีห้านักศึกษาพึงทราบถึงภาวะที่ประทมชานละองห้าด้วยอำนาจที่ประหารนิวรห้าเหล่านี้คือนิวรห้าหนึ่งกามฉันทะความพอใจในกามสองพยาปาทะ ความไม่ชอบใจสถทีนมิทะความง่วงเหงาและความเสื่องซึมสอุทจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจและหวิจิกิจฉาความสงสัยตัดสินใจไม่ได้ เมื่อโยคียบุคคลอย่างละนิวรณห้าเหล่านี้ไม่ได้ฌานก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นธรรมดาด้วยเหตุนั้นนิวรณห้าเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นองค์สำหรับละของฌานนั้นถึงแม้ว่าในขณะฌานเกิดนั้นแม้อาุสรธรรมอย่างอื่นอย่างอื่นอัญชานละลาผีบุคคลย่อมละได้ก็จริงแต่ครนั้นนิวรห้าเหล่านี้เท่านั้นที่ทำอันตรายแก่ฌานโดยพิเศษ เป็นความจริงจิตที่ถูกกามาชันทานิวอนรบเร้าไว้ในอารมณ์ต่างๆแล้วย่อมไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นเอกภาพคือมีอารมณ์อย่างเดียวหรือจิตที่ถูกกามาชันทานิวอนครอบงมแล้วนั้นย่อมไม่ดำเนินไปสู่ปฏิปทาเพื่อประหารเสียซึ่งกามาธาตุคือกามโลกและจิตที่ถูกพยา ป, ปาทาิวรกดดันไว้ในอารมณ์ ย่อมเป็นไปอย่างกระพร่องกระแพร่งไม่บริบูรณ์จิตที่ถูกถีนะมิธานิวรณครอบงำแล้วย่อมไม่ควรแก่อันที่จะประกอบการภาวนาจิตที่ถูกอุทธจักกุตกุตจานิวรณครอบงำแล้วย่อมหมุนคว้างไปไม่สงบอยู่ได้เลยจิตที่ถูกวิจิกิจานิวรเข้าแทรกแซงแล้วย่อมไม่อย่างลงสู่ปฏิปทา อันจะให้สำเร็จการบรรลุถึงซึ่งฌานได้ด้วยประการชนนี้เฉพาะนิวรณห้านี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นองค์สำหรับละเพราะเป็นค่าศึกที่ทำอันตรายแก่ฌานโดยพิเศษองค์แห่งปฐมฌานห้า และเพราะเหตุที่วิตกย่อมยกจิตขึ้นไว้ในอารมณ์วิจารย่อมผูกพันจิตไว้ในอารมณ์ปีติอันเป็นที่เกิดแห่งประโยคสมบัติของจิตซึ่งมีประโยคอันวิตกและวิจารให้ถึงพร้อมแล้วด้วยความไม่ฟุ้งซ่านย่อมทำให้จิตเอิ้ออิ่มสุขย่อมทำสัมปยุตรธรรมให้เจริญและถัดมา เอกคตาอันความยกขึ้นความตามผูกพันความเอิกอิ่มและความเจริญเหล่านี้อนุเคราะห์แล้วย่อมตั้งจิตนั้นพร้อมทั้งสัมปยุตรธรรมที่เหลือไว้ในอารมณ์อันเป็นเอกภาพอย่างสม่ำเสมอโดยถูกต้องฉะนั้นนักศึกษาพึงทราบถึงภาวะที่ปฐมฌานประกอบด้วยองค์ห้าด้วยอํานาจความบังเกิดขึ้นแห่งองค์ห้าเหล่านี้คือ 1. วิตกธรรมชาติที่ยกจิตสู่อารมณ์2วิจารธรรมชาติที่พิจารณาอารมณ์3ปีติธรรมชาติที่ทำจิตให้อบอิม่มสสุขธรรมชาติที่ทำจิตให้ยินดีละห้าจิตเตกัคตาความมีอารมณ์อย่างเดียวของจิต ก็เมื่อองค์ห้าเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นอันชื่อว่าฌานเกิดขึ้นแล้วด้วยเหตุนั้นองค์ห้าเหล่านี้จึงเรียกว่าองค์ที่ประกอบของฌานนั้นนักศึกษาพึงยึดหลักไว้เถิดว่าขึ้นชื่อว่าฌานอื่นจากที่ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้หามีไม่ก็แหลเหมือนอย่างที่ชาวโลกเรียกขานกันว่าเสนามีองค์สี่ ดนตรีมีองห้ามักมีองแปดทั้งนี้ด้วยอำนาจสักว่าองค์เท่านั้นฉันใดแม้ชานี้นักศึกษาก็พึงเข้าใจว่าที่ท่านเรียกว่ามีองห้าหรือประกอบด้วยองห้านั้นด้วยอำนาจสักว่าองค์เท่านั้นเช่นเดียวกันองค์ชาห้ามีกำลังมากกว่าจิตปกติ ก็แลแม้ว่าองฌานทั้งห้าเหล่านี้จะได้มีในขณะอุปจารสมาธิเกิดและในขณะอุปจารสมาธินั้นจะมีกำลังมากกว่าจิตปกติก็ตามส่วนในปฐมฌานนั้นองฌานทั้งห้ามีกำลังมากกว่าอุปจารสมาธิขึ้นไปอีกเพราะบรรลุถึงลักษณะที่เป็นรู ป, ปาวจรกุศละจิตแล้วจริงอยู่ ในปฐมฌานนี้วิตกย่อมเกิดยกจิตขึ้นไว้ในอารมณ์โดยอาการอันบริสุทธิ์ที่สุดวิจารย่อมเกิดขึ้นตามพิจารณาอารมณ์อย่างดีที่สุดปิติและสุขย่อมเกิดแผ่ซ่านไปทั่วสันพางกายด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเทศนาไว้ว่า ณนที่ตรงไหนทั่วสันพางกายของชาณะลาพีบุคคล น, นั้นที่ปีติและสุขอันเกิดแต่ความสงัดจะไม่ถูกต้องนั้นเป็นอันไม่มีฝ่ายจิตเตกัตขะตาคือภาวะที่จิตมีอารมณ์อย่างเดียวนั้นย่อมเกิดขึ้นถูกต้องทั่วอารมทั้งหลายมีอาการเหมือนดังผาสมุขอันบนสวมลงถูกตัวสมุขอันล่าง โดยทั่วสิ้นฉะนั้นอธิบายนี้เป็นความต่างกันระหว่างปีติและสุขกับองค์ฌานอื่นๆแม้นอกนี้จิตเตกะคตาเป็นองค์ฌานอันหนึ่งในบรรดาองค์ฌานทั้งห้านั้นถึงแม้ว่าจิตเตกคคตา จะมิได้ส่งแสดงไว้ในพระบาลีที่ว่าสวิตตักกังสวิจารังเป็นต้นนั้นก็ตามแม้กระนั้นจิตเตกัคคตาก็จัดเข้าเป็นองค์ฌานองค์หนึ่งเหมือนกันเพราะเหตุที่ทรงเทศนาไว้ในคำภีวิพังว่าวิตกวิจารปีติสุขและจิตเตกคคตาชื่อว่าฌานดังนี้อธิบายว่า การที่พระผู้มีพระภาคทรงเทศนาพระบาลีไว้โดยในยะมีอาทิว่าสวิตักกังสวิจารังด้วยข้อพระพุทธทิบายอย่างใดก็เป็นอันว่าข้อพระพุทธธิบายนั้นพระองค์ทรงประกาศแสดงไขไว้แล้วว่าจิตเตกัคตาดังนี้ในคำภีวิพังนั้นฉะนั้นนักศึกษาอย่าพึงเข้าใจเคเวไปว่าจิตเตกัคตานั้น ท่านไม่ได้ทรงถือเอาในพระบาลีที่แสดงถึงฌานนั้นด้วยประการชนนี้อธิบายมีความสงบสามสมบูรณ์ด้วยลักษณะสิบก็แลในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวสังเกตไว้ว่ามีความงามสามสมบูรณ์ด้วยลักษณะสิบนั้น มีอัธยาธิบายโดยพิสดารดังต่อไปนี้นักศึกษาพึงทราบความงามสามอย่างของปฐมฌานด้วยอำนาจความงามในเบื้องต้นหนึ่งความงามในทถ้ำกลางหนึ่งและความงามในที่สุดหนึ่งและพึงทราบความสมบูรณ์ด้วยลักษณะสิประการของปฐมฌานด้วยอำนาจลักษณะของความงามในเบื้องต้นความงามในท่้ำกลาง และความงามในที่สุดเหล่านี้นั้นนั่นแหละในการแสดงถึงความงามและลักษณะแห่งความงามของปฐมชาตนั้นมีคำพระบาลีรับรองไว้ดังนี้ความงามสามประการความบริสุทธิ์แห่งปฏิปทาเป็นความงามในเบื้องต้นของปฐมชาตความเจริญได้ที่แห่งอุเบกขา เป็นความงามใน่ํากลางของปฐมฌานและความร่าเริงใจเป็นความงามในที่สุดของปฐมฌานลักษณะแห่งความงามเบื้องต้นสามประการถามข้อว่าความบริสุทธิ์แห่งปฏิปทาเป็นความงามเบื้องต้นของปฐมฌานนั้นความงามในเบื้องต้นของปฐมฌานมีลักษณะเท่าไหร่ ตอบความงามในเบื้องต้นของปฐมฌานมีลักษณะสามประการคือจิตย่อมบริสุทธิ์จากธรรมะที่เป็นข้าศึกหนึ่งเพราะเหตุที่จิตบริสุทธิ์จิตจึงดำเนินไปสู่สมถานิมิตอันเป็นกลางหนึ่งเพราะเหตุที่จิตดำเนินไปจิตจึงแล่นตรงไปในสมถานิมิตอันเป็นกลางนั้นหนึ่ง อาการที่จิตบริสุทธิ์จากธรรมะที่เป็นค่าศึกอาการที่จิต ด, ดำเนินไปนสู่สมถานิมิตอันเป็นกลางด้วยเหตุที่บริสุทธิ์และอาการที่จิตแล่นตรงไปในสมถานิมิตอันเป็นกลางด้วยเหตุที่ดำเนินไปแล้วเหล่านี้เป็นลักษณะสามประการแห่งความงามในเบื้องต้นของปฐมฌานซึ่งมีความบริสุทธิ์แห่งปฏิปทาเป็นความงามในเบื้องต้นด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่าปฐมฌานมีความงามในเบื้องต้นและสมบูรณ์ด้วยลักษณะสามด้วยประการชนี้ลักษณะแห่งความงามท่ามกลางสามประการถามข้อว่าความเจริญได้ที่แห่งอุเบกขาเป็นความงามในท่ามกลางของปฐมฌานนั้นความงามในท่ามกลางของปฐมฌาน มีลักษณะเท่าไรตอบความงามในถ้ำกลางของปฐมฌานมีลักษณะสมประการคือโยคีบุคคลยอมเพ่งดูเฉยซึ่งจิตอันบริสุทธิ์แล้วหนึ่งยอมเพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่ดําเนินไปสู่สมถะนิมิตแล้วหนึ่งยอมเพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่ปรากฏเป็นเอกภาพแล้วหนึ่ง คำว่าเอกตังที่แปลว่าความเป็นหนึ่งของจิตหรือความเป็นเอกภาพนั้นหมายเอาจิตที่บรรลุถึงอัปปนาพร้อมทั้งสัมปยุต ธ, ธรรมจิตที่เป็นอัปปนาแล้วย่อมมีอารมณ์อันเดียวจึงเรียกว่าเอกภาพอาการที่เพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่บริสุทธิ์แล้วอาการที่เพ่งดูเฉย ซึ่งจิตที่ดำเนินไปนสู่สมถะนิมิตแล้วและอาการที่เพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่ปรากฏเป็นเอกภาพแล้วเหล่านี้เป็นลักษณะสมประการแห่งความงามในท่ามกลางของปฐมฌานซึ่งมีความเจริญได้ที่แห่งอุเบกขาเป็นความงามในท่ามกลางด้วยเหตุ น, นั้นจึงเรียกว่าปฐมฌานมีความงามในท่ามกลางและสมบูรณ์ ด้วยลักษณะสามด้วยประการชนนี้ลักษณะแห่งความงามในที่สุดสี่ประการถามข้อว่าความร่าเริงใจเป็นความงามในที่สุดของปฐมฌานนั้นความงามในที่สุดของปฐมฌานมีลักษณะเท่าไหร่ตอบ ความงามในที่สุดของปฐมฌานมีลักษณะสีประการคือความร่าเริงใจและผลที่ธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดในฌานจิตนั้นไม่ล่วงล้ำกัมเกินกันหนึ่งความร่าเริงใจเพราะผลที่อินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอันเดียวกันหนึ่งความร่าเริงใจเพราะผลที่ทำให้วิริยะอันสมควรแก่อินทรีย์ทั้งหลายบังเกิดขึ้นหนึ่ง ความร่าเริงใจเพราะผลที่ได้อาเสวณะปัจจัยหนึ่งอาการเหล่านี้เป็นลักษณะสี่ประการแห่งความงามในที่สุดของปฐมฌานซึ่งมีความร่าเริงใจเป็นความงามในที่สุดด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าปฐมฌานมีความงามในที่สุดและสมบูรณ์ด้วยลักษณะสี่ด้วยประการชะนี้แล มติวัดอภัยยะคิรีวิหารวัดอภัยยะคิรีวิหารนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในประเทศลังกาในสมัยนั้นในความงามสามอย่างนั้นอุปจารสมาธิพร้อมทั้งธรรมะเครื่องปรุงแต่งคือบริกรรมในอาวัชนะต่างๆชื่อว่าปฏิปทาวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งปฏิปทา อปนาสมาธิชื่อว่าความเจริญได้ที่แห่งอุเบกขาปัจเวคขณะคือการพิจรารณาฌานที่ได้บรรลุแล้วชื่อว่าความร่าเริงใจอธิบายนี้ท่านอาจารย์ทั้งหลายชาววัดอภัยคีรีวิหารพันนาไวมติในปฏิสัมพิธามรก แต่เพราะเหตุที่ในพระบาลีแห่งปฏิสัมพิธามักท่านแสดงไว้ว่าจิตที่ถึงเอกภาพแล้วจึงจะเป็นอันแล่นไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งปฏิปทาจึงเป็นอันเจริญได้ที่แล้วด้วยอุเบกขาและจึงจะเป็นอันร่าเริงแล้วด้วยยานดังนี้ฉะนั้นนักศึกษาพึงเข้าใจว่า ความบริสุทธิ์แห่งปฏิปทาจะมีได้ก็ด้วยอำนาจที่มาถึงภายในอัปปนาสมาธิเท่านั้นความเจริญได้ที่แห่งอุเบกขาจะมีได้ด้วยการทํากิจของตัตธรรมัชัตุเบขาและความร่าเริงจะมีได้ด้วยอำนาจความสําเร็จแห่งการทํากิจของยานอันทําให้พองใส โดยยังภาวะที่ธรรมะทั้งหลายไม่ล่วงล้ำกันเป็นต้นให้สำเร็จหมายความว่าอ ธ, ธาิบายของพวกอาจารย์วัดอภัยกีรีวิหารผิดจากพระบาลีปฏิสัมพิธามักถามข้อนี้มีอ ธ, ธิบายอย่างไรตอบมีอ ธ, ธิบายว่าในวาระที่อปนาสมาธิเกิดขึ้นจิตจึงจะบริสุทธ จากกลุ่มกิเลสคือนิวรันเป็นค่าศึกของฌานนั้นเพราะ จ, จิตเป็นสภาพที่บริสุทธิ์แล้วจึงจะหลีกเว้นจากนิวรนเครื่องกัน้นดำเนินไปนสู่สมถานิมิตอันเป็นกลางสมถานิมิตอันเป็นกลางนั้นได้แก่อัปปนาสมาธิที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอนั่นเองอธิบายความบริสุทธ แห่งปฏิปทาก็แลจิตดวงก่อนคำนี้มาจากคำว่าปุริมาจิตตังที่แปลว่าจิตดวงก่อนนั้นหมายเอาโคตรภูจิตซึ่งเกิดในอัปปนาวิถีก่อนอัปปนาจิตชั่วขณะจิตหนึ่งก็แลจิตดวงก่อนซึ่งเป็นอนันตรปัจจัยแก่อัปปนาจิตนั้น ได้แก่โคตรภูจิตกําลังเข้าไปสู่ภาวนาที่แท้ศัพท์ว่าตัทัดถังที่แปลว่าสู่ภาวนาที่แท้นั้นได้แก่จิตที่ดำเนินไปสู่ภาวะที่ตั้งมั่นด้วยอำนาจอัปปนาสมาธิก็แลจิตดวงก่อนซึ่งเป็นอนันตรปัจจัยแก่อัปปนาจิตนั้นได้แก่โคตรภูจิต กำลังเข้าไปสู่ภาวนาที่แท้ชื่อว่าดำเนินไปสู่สมถานิมิตอันเป็นกลางด้วยในยะที่ปราไปแห่งสันตติเพียงอันเดียวเพราะจิตดำเนินไปด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าแล่นไปในสมถานิมิตนั้นด้วยการดำเนินเข้าสู่ภาวะที่แท้นักศึกษาพึ้นเข้าใจถึงความบริสุทธิ์แห่งปฏิปทา อันให้สำเร็จอาการที่บริสุทธิ์จากอันตรายเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในจิตดวงก่อนแห่งอปปนาจิตด้วยอำนาจที่มาถึงในอุปาทาคณะแห่งปฐมฌมานด้วยประการชนิดก่อน